เื่อนพิสุสมนเนรตั้งใจฟังครับแล้วก็จเจริญพรญาติโยมทุกทุกคนครับตั้งใจฟังการฟังด้วยดียอมได้ปัญญาถ้าหากฟังไม่ดีก็ไม่ได้ปัญญาดัางนั้นวันนี้เป็นวันพระฤ ห, หัสเป็นวั น, นวันที่หนึ่งนะ เดือนมกราคมสองพันห้าร้อยสามสิบเป็นปีใหม่รุนๆวง้นวันนี้ปีเก่านั้นเราทำมาแล้วพาดผิดบ้างตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะปฏจยานตัวเอาไ ว, ว้ว่าจะไม่ให้พาดผิดอะไรย่างนัน้เพราะว่าการปฏิบัติธรรมะตามที่หลวงพ่อได้ไปสัมภาษณ์ดูก็รู้สึกว่า น่าพอใจในการกระทาของพวกเราก็ปรากฏว่ามีผู้รู้จักธรรมเรื่องพื้นฐานเบื้องต้นในว่ารูปนามก็มีผู้เข้าใจหลายคนเป็นจำนวนมากแต่ก่อนนั้นยังไม่เคยรู้มีพูดอย่างนี้เป็นจำนวนมากดังนั้นวันนี้เมื่อเรารู้รูปนามแล้วก็หลวงพ่อเปรียบให้ฟังสมมติว่า เราจมน้ําหรือเราตกน้ําหรือเราไปในเรือเรือเราแตกกลางวางกลางน้ําพอดีเรือแตกเรามันจมลงไปคนน้ําท่วมหัวเลยเลยไม่รู้จักทิศทางจะไปที่ไหนบัด น, นี้เรายันแรงๆขึ้นมายันดินทั้งข้างพื้นหมดนนะ่ะโผล่ขึ้นมาแป่นหัวแล้วบัดนี้รู้จักทิศทางที่จะเข้าไปฝั่งได้อย่างนั้นบางคนก็ปรากฏว่า เลือแตกไปจมลงไปน้าพอเพียงขอนีก่ก็มีที่พูดให้ฟังวันนี้เป็นเรื่องสมมุติพูดให้ฟังบางคนพอเพียงแอวหรือเพียงกลางขาก็มีบางคนก็พอเพียงขางแข้งก็มีเป็นธรรมดาเพราะมาปฏิบัติบางคนก็มาปฏิบัติหลายครั้งหลายหนไม่เข้าใจเมื่อมีผู้ เจอลงไปเลยว่าให้คนแจกก็ได้เลือกเปิดของที่ปิดไว้ก็ได้หงายของที่ค่วมหน้าอยู่ก็ได้พูดให้ฝังเข้าใจทันทีอันนี้ก็แสดงว่าเราได้ปลูกฝังพื้นฐานมาไว้เป็นจำนวนนานแล้วดังนั้นการรู้ธรรมะนั่นจะคาดคิดตดนเดาเอาไม่ได้มันต้องรู้แจ้งรู้จริงตามความเป็นจริงดังนั้นวัสนามไหน ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างเพราะว่าต้องการให้มังกรทัตลัดเรือกว่ารัดกลุ่มข้าวอย่างนี้ก็ได้บัดนี้ก็จะพูดเรื่องที่เรายังมีบทบาทที่สงสัยเคิบเคิมเลือแอบแฝงอยู่นั้นเราจะมาเปิดข้อสงสัยเรือกว่าของที่ปิดนั้นหนายหน้าของที่ควบนั้นให้พวกเราได้เข้าใจ <c oughs> เราเคยได้ยินอาตมาเคยได้ยินอย่างนี้พุทธศาสนาของเราเนี่ยอันนี้พ่อแม่เราให้ฟังและคูบาจา์ก็เราให้ฟังล่วงไปได้สองพันห้าร้อยปีแล้วจะเป็นศูนย์กลับท่านว่าอย่างนั้น <c oughs> จะมืดเจ็ดวันเจ็ดคืนคนจะไปไหนมาไหนไม่ได้ การทำมาหากินก็ไม่ได้สามีภรรยาก็มองกันไม่เห็นหมดุดมิดามาดาก็มองกันไม่เห็นเหมือนกับอยู่ในถ้ำนี่เองมืดมิดเพราะว่าเป็นศูญญ์กับมีเทวดาหรือใครก็ไม่รู้หลท่านว่ามีเทวดาองค์หนึ่งมาบังดวงอาทิตย์ไว้ไม่ให้มีแสงสว่างเลยแต่เดี๋ยวนี้ยังไม่ถึงสองพันห้าร้อยปีคนไม่มีความสว่างภายในใจิตใจ ทำไมจึงพูดว่าไม่สว่างภายในจิตใจแม้รูปตัวเองก็ไม่รู้เราอยู่กับรูปเรามารูปนามรูปธรรมนามธรรมเราก็อยู่กันมานานจึงไม่รู้ไม่เห็นเพราะมันมืดอยู่ในทรบนั่นเองบัด น, นี้เมื่อล่วงไปได้ห้าพันปีแล้วจะมีพระพุทธรูปหรืออิฐเิ็นดินปูนก็ตามพระาธาตุอะไรต่างๆก็ตามก็จะเหาะไปรวมตัวกันเข้า ที่ใดที่หนึ่งเอาสมมุติกันอย่างที่วัสดสนาไหนนี่ก็ได้พระพุทธรูปจะเป็นอิฐธิเห็นด่นปูนก็ตามเหาะมารวมที่ตรงนี้เมื่อมาถึงที่ตรงนี้แล้วรูปที่เป็นวัตถุนั้นจะแตกสลายไปเพราะไฟมล า, ายกันไม่ไปที่เป็นวัตถุหน่อถูกไฟมล า, ายกาันไหมไปเลยดวงจิตวิญญาณที่ติดกับพระพุทธรูปนั้นถ้าเราเข้ากับเมฆงาทัานไว น้อยมากที่สุดติดอยู่ทุกรูปทุกรูปเลยพอเดินรูปธาตุอันนั้นถูกไฟมาลายกันไหม้ไปแล้วก็รูปหรือจิตวิญญาณที่พระพเจ้าติดอยู่กับพระพุทธรูกมันจะรวมตัวกันเข้าเห็นไหมรวมตัวกันเข้าก็เลยเป็นรูปเจ้าสายสิทธะกลุ่มมาหรือเป็นพระพุทธเจ้าของเรานี้เองเห็นว่าจะรวมตัวกันเข้าเมื่อรวมตัวกันเข้าแล้วกั น, เ ล, กนเลยแสดงธรรมให้แสงพาทิสวะสว่างขึ้นมา หรือเทวดาองค์ที่ไปบางดวงที่ก็หายตัวไปใช่ไหมดังนั้น <c oughs> อาตมาได้ให้ทานรักษาศีลมาาะปรารถนาอยากไปเกิดที่ตรงนั้นเพราะจะได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเราจะได้ดวงตาเห็นธรรมหรือได้กระแสพระนิพพานทันวันอย่างนั้นคนที่มีปัญญามากอย่างที่หลวงพ่อเปรียบให้ฟังวันนี้บางคนจมลงไปยันขึ้นมาไม่พ้นน้ํา้นที บางคนจมลงไปยันขึ้นมาพล น, น้ําแตนขอขึ้นมามองเห็นต่ฟังทิศทางบางคนพอได้เรือแตกปุ๊ลงไปเลยตีนเนื้อเท้าเราถึงดินน้ําพอเพียงขอก็ได้เพียงอึกเพียงแอลก็ได้ไม่เหมือนกันบางคนพอได้เรือแตกปุ๊นะย่างลงไปน้ําพอเพียงเท้าน้ำท่วมหลังตีเนีย่ยยางไงก็ได้บ้านของพอเรียกหลังตีนหลังเท้าก็มีเนี่ย ไม่เหมือนกันอันนี้ก็แสดงว่าเหมือน ก, นกันกับที่เราไปฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าที่เป็นวัตถุธาตุนั้นแตกออกไปแล้วรวมตัวกันเข้าดวงจิตวิญญาณพระพุทธเจ้าจะมาแสดงให้เราฟังคนมีปัญญาฟังธรรมะในขณะนั้นจะได้เป็นพระาราหันก็มีเป็นจำนวนมากกันว่ายอย่างนั้นคนที่ผู้มีปัญญาน้อยฟังแล้วได้เป็นพระอนาคามีก็มี และผู้มีปัญญาน้อยลงมาได้เป็นภระสักกิทาคาก็มีผู้มีปัญญาน้อยลดลงมาตามส่วนเรียกเป็นพระโสดาบันบุคคลก็มีท่านวานั้นและผู้มีปัญญาน้อยลงมาตามก็นั่นก็เรียกเป็นมนุษย์และผู้มีปัญญาน้อยลงมาก็นั่นก็เรียกเป็นคนธรรมดานี่เองดังนั้นเรามาปฏิบัติธรรมะคล้ายๆเหมือนกันแต่ว่าพระพุทธรูปนั้นเหาะมาไม่ได้เหาะไม่ได้จริงๆ พวกเราทุกคนนี่แหละเป็น พ, พระพุทธลูกไม่ได้เหาะมาเดินด้วยเท้ามาถ้ามาต่างจังหวัดต่างอำเภอก็นั่งรถมามาฟังท่านอโอ้วัดสนามในเปิดอบรมพิปัจนาก็เข้ามาฟังมาทามาปฏิบัติตามท่านรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงอันนั้นแหละเรียกว่าผูกไฟมลัยกันไม่โมหะความมืดบอดอยู่ในใจ มีแต่ความสว่างเกิดขึ้นภายานจิตใจจึงรูรูรูรนามได้เนี่เข้าใจอย่างนั้นบางคนก็รู้ถึงจิตใจนึกคิดบางคนก็รู้ถึงว่าวัตถุทํำลายไปแล้วถูกไฟมลัยกันไหม้ไปแล้วทวันวายอย่างนั้นดังนั้นให้เราเข้าใจคํำพูดแต่บางบทบางตอนนั้น่ะมันเป็นปิตนาธรรมหรือเป็นปัญหาที่ให้คนมีปัญญาคิดเท่านั้นเอง คนใดไปเสื้อตำรับตำราหัวฝังเข้าไปในตำราก็เลยปฏิบัติธรรมะไม่ได้บางคนว่าทำไม่ได้เนี่ยบางคนมึนหัวหรือปวดศรีรษะบางคนบางคนว่าหมดยุคมดสมัยเนี่ยเข้าใจไปอย่างไงอันนี้แหละเรียกว่าพุทธศาสนาไม่ถึงห้าพันปีบ้านเมืองเราเดือดร้อนมันมืดมันมืดใจตัวของอาตมาเองเนี่ยมืดใจมาไม่เคยมีความสว่างในใจเลย เมื่ออายุสี่สิบหกปีเข้ามาเนี่ยโอ้คำพูดแต่ละคำนั่นนะ่ะมันให้เราพิจารณาเองให้เราทำความรู้สึกตัวตื่นตัวรู้สึกใจตื่นใจเอาชนะให้มันได้กันวะรู้จักความคิดสักนิดเดียวหยุดความคิดได้ ว, ว่านวะไหว้ตัวเองได้กันวะอย่างนั้นบัดนี้เมื่อมันเห็นรูปเห็นนามแล้วรู้จักรูปทมนามทำ ดีแล้วรู้จักศาสนารู้จักพุทธศาสนาดีแล้ยกมือไหว้ตัวเองได้ทันทีญาติโยมวันนี้ก็ต้องยกมือไหว้ตัวเองไม่ต้องไปไหว้ผีไม่ต้องไปไหว้เทวดาไม่ต้องไปไห ว, ว, ว้ใครที่ไหนเลยยกมือไหว้ตัวเองเพราะคุณดีกามงามของคนทุกคนมีขนาดมีได้เรียกว่าเป็นเพชรที่มีราคามากชีวิตของคนอังกฤงซื้อไม่ได้ขายไม่ได้ ดังนั้นการปฏิบัติธรรมมาอาเนสงการเจริญข่มรู้สึกตัวนี่จึงมีมากสามารถให้ปุถุชนกลายมาเป็นอริยบุคคลได้เป็นอย่างนั้นดังนั้นทุกคนต้องเป็นปุถุชนเราเคยได้ยินได้ฟังกันมาเป็นจํานวนมากแล้ว <c oughs> แต่เราไม่เข้าใจในความหมายอย่างที่เราเคยได้ยินว่าพระวรกลิกไปอยู่กับพระพุทธเจ้าใกล้ซิดพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าไปไหนมาไหนดูท่านอยู่ไม่เศราแต่ไม่ได้ดูตัวเองพระพุทธเจ้าก็เลยด่าว่าอย่างบ้านหลงโพธิวดาพระวักลิกให้มันหนีไปมัน ม, มองตั้งแต่รูปที่สมอันนี้อันนว่ามันนี่พระพุทธเจ้าด่าพระวักลิกพระวักกลิกก็เลยไม่มีที่พึ่งผาอาศัยจะไปโดนเหวตายว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยไปถามไปโปรดเอาไว้ว่ายวอย่างอะไรพระวักลิก เข้าใจว่ารูปอันนี้เป็นพระพุทธเจ้าหรือครับหรือว่าโดยหรือว่าขาน้อยไม่ใช่ว่าจะแนก็ได้แล้วเพราะเราไม่ได้เห็นอันเนี้ตายเป็นไห้ตายเป็นไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าท่านตายแล้วเน่าเหม็นเป็นไหมเน่าเหม็นเป็นพระวักกฤทธิ์เนี่ยตายเป็นไหมตายเป็นเน่าเหม็นเป็นไหมเน่าเหม็นเป็นถ้าตายเป็นเน่าเหม็นเป็นจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ทําไมพระวักกะฤท เ, เกิดมีความ คิดแปลกๆขึ้นมาภายในใจิตใจอันนี้เราก็เช่นเดียวกันอย่าไปติดมากเกินไปติดตำรับตำลาพระพุทธเจ้าก็เลยหนีไปพระพวักลิศอย่ามาอยู่ที่นี่พัก <c oughs> กะลิกก็จิงว่าหาวิธีหนีไปจิงว่าพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมให้ฟังแล้วก็กลับเข้ามาดูตัวเองคาว่าหนีไปได้หมายถึงอะไรบางคนก็เข้าใจบางคนก็ไม่เข้าใจหนีไปให้พ้น อย่าให้มาอยู่ที่นี่มันเบือตาวออย่างก็ได้เราไปติดควมคิดเราจริงๆเลยว่าสัญญาจำได้เลยว่าหรือหมายรู้จำได้คำว่าจำได้ก็หมายถึงไม่หลงไม่ลืมไม่แปรผันไม่เปลีป่ยนแปลงทางภายในและภายนอกอย่างที่เราพูดว่าตานี่มีคนมาถามระยะใดเวลาไหน ตาเป็นยังไงแล้วก็รู้ทันทีเพรว่าตาเรามีมีคนมาถามเรื่องหูหูเป็นยังไงเราจะรู้ทันทีให้มาของสิ่งใดที่มันมีในตัวเราเนี่ยเราจะรู้ทันทีถ้าหากไม่มีคนมาทักมาท้วงหรือมาถามเราเราก็เฉยมันได้อย่างนี้อันสัญญาภายในที่มันเกิดขึ้นมาจากจิตสํานึกจริ ง, รงๆก็เช่นเดียวกันดังนั้นจังหวะสัญญา ความหมายรู้และจำได้เทนเพราะมันมีศีลมีธรรมมันเป็นปกติจะพูดยังไงก็พูดได้ดังนั้นวันนี้จึงจะขอแนะนำและพูดเรื่องตำรับตำลาที่ครูบาอาจารย์นำมาสอนเอาไว้หรือได้อ่านพบเห็นมาเป็นอย่างนั้นการให้ทานคำว่าการให้ทานนี่มันมีมาก แต่ว่าทานเป็นวัตถุ ก, ก็ได้ทานเป็นนั่นจิตนั่นใจก็ได้หรือว่าเสีอสละข่มโกรธข่มโลภข่มห ล, ลงก็ได้มันได้แต่ใครจะพูดใครจะว่ามาเพราะว่ามันเป็นเรื่องตํำรับตาําราอย่างที่เคยได้ยินเนรียนมาแล้วก็ยังมีข้อสงสัยอนันก่อดีเหมือนกันซึ่งวนยังไม่มีสัญญาที่ผมพูดวันนี้ในตํำรับตาํารานั้นอาจจะบกพร่องไปเช่นเดียวกัน เพราะมันเป็นสัญญาเรื่องความจํามาจากตำลับตําลาและพอแม่ครูบาอาจารย์สอนมาเราการให้ทานทําบุญให้เลือกวัดตักบาตรให้เลือกพระพอแม่ปู่ยาตายาเคยสอนมาแล้วครูบาอาจารย์เขาเคยสอนมาอย่างนั้นแล้วจะไปเลือกวัดได้ทําไมเพราะเราไม่รู้จักเลือกพระก็ เ, เช่นเดียวกันแล้วจะไปเลือกได้ยังไง ทานให้สัติรักษาหนึ่ร้อยคลั้งผันหนอานิสง์นั้นจะไม่เหมือนกับทานให้คนทุศิลเ์หรือผู้ทุศิลป์คว่าทุศิลก็หมายถึงบุคคลผู้ที่ไม่มีศิลนั่นเองทานให้สัติรักษาไม่ดีเท่าทานให้ให้คนผู้ทุศิลนป่นัน่นทานให้บุคคลผู้ทุศิลป์ลอยคลั้งผันหนก็าตามยังไม่ดี ยังไม่ประเสริฐเท่ากับทานให้บุคคลผู้ที่มีสินครั้งเดียวทันวันยไบันทียนานให้บุคคลผู้ที่มีศินร้อยขั้งพันหนุนอานิสงก็ยังไม่ดีไม่มากเท่ากับทานให้สมณีนครั้งเดียวบันเที้การทานให้สมณียร้อยขัง 100, ้งพันหนอานิสงนั้นยังไม่ดียังไม่ประเสริฐเท่ากับทานให้พระภิกษุครั้งเดียวทันวัน ทานให้พระภิกษุนั่นล้อยั้างพันหนุนอนิสงฆ์ความดีด้วยความประเสริฐนั่นก็ยังไม่ดีเท่ากับทานให้พระอารียบุคคลข้างเดียวทันว่าทานให้พระอเรียบุคคลนั่นลอยข้งพันหนุก็ยังไม่ประเสริฐเท่ากับทานให้พระปเจกขาพุทธข้งเดียวทานให้พระปเจกขพุทธนั่นลอยข้างพันหนุนก็ยังไม่ประเสริฐเท่ากับทานให้พระพุทธเจ้าข้างเดียว การทานให้พระพุทธเจ้าก็ประเสริฐกว่าจริงแต่ยังไม่ประเสริฐเท่ากับทานให้พระสงฆ์ทั่วไปคำว่าพระสงฆ์ทั่วไปเนี่ยเราไม่เข้าใจตอนนี้หลวงพ่อไม่เข้าใจจริงๆต่อเมื่อมาเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญานี่แหละเจริญแต่ว่าทานให้มากเกิดความรู้ความเห็นความเข้าใจสัมผัสแนบแน บ, แนบอยู่กับตัวเองเรว่าสัญญาความหมายรู้จําได้อันนี้ท่านว่าทานให้ ผระสงเนี่ยอย่างที่เราทานตักบาตรตอนเช้าเนี่ยถ้าว่าได้อานิสงส์หกกับกันวะบันนี้ทานให้ผักสงของเราเนี่ยตอนกลางวันให้อาหารกลางวันตอนอวนเาเนี่ยมันมันมันสับสนนิดเดียวคือว่าตอนตักบาตรตอนเช้าผระสงไปบิณฑบาตตอนเช้าได้อานิสงส์หกกับเธอและไปส่งอาหารตอนเช้าได้อานิสงส์ห้ากับ ไปให้อาหารกลางวันได้อั น, นิสงส์สี่กับไม่ค่อยรู้อันนี้กับมึงเท่าไหร่ก็ไม่รู้นี้จะจํากับตัวหนังสือบาเลยว่ากับมึงนั้นพ่นวงร้อยโยดลึกร้อยโยดนั่นร้อยปีของเมืองคนจึงไปเป็นปีทิพย์ของเทวดาหนึ่งปีเ่ะร้อยปีของเมืองคน่ะจึงจะไปเป็นปีทิพย์ของเทวดาหนึ่งปีเมื่อได้เป็นปีทิพย์ของเทวดาหนึ่งปีนั่นแหละเทวดาจะเ อ, อาเมล็ด ง, งา หนึ่งเม็ดมาเท่งลงที่หลุมที่เป็นบ่อเป็นเหวนี่ยนะน ต, ต, ตีได้หนึ่งเม็ดเลยท่นเมื่อเม็ดงาเต็มบ่อเต็มเหวนั้นหนึ่งเม็ดก็เต็มหนึ่งกลับนะถ้าพูดทางสูงก็ป่วงลอยโยตสูงลอยโยต์ร้อยปีของเมืองคนหนึ่งจึงจะไปเป็นปีทิพย์ของเทวดาหนึ่งปีเทวดาจึงเอาผ้า อ, อ่อนๆน่ออนเป็นผ้าอ่ อ, อนๆมาปัดลงปัดเที่ยเดียวท่านนะ่ะและ้วดอยภู หรือว่าเขาสูอันนั้นแหละจนลาดเตียนเหมือนกับหน้ากองจึงเป็นกับหนึ่งอันนี้ก็เป็นตาที่น่าคิดนี่แหละการท า, า, า, า, านให้พระสงฆ์หรือทานให้สัตว์เดรัจฉานหรือทานให้พระยาเจ้าทานให้พรียบุคคลเราต้องเปรียบเทียบอย่างนี้การทานให้สัตว์เดรัจฉานพูดกันไม่ได้จึงมีอา น, นิสงส์น้อยแต่ว่าอ น, นิสงส์ได้เท่ากันบัดนี้การทานให้คนผู้ทุศิล มีอเนกสงเหมือนกันแต่ว่ามันพูดกันได้รู้จักคุยกันได้ทานให้คนที่มีศีลเขาจะพูดเรื่องศีลเรื่องทานจึงว่ามันพูดกันได้เหมือนกันบันทีทานให้สมเนรสมเนรก็จะพูดเรื่องการบวชเป็นเนนอย่างนั้นอย่างนี้จะพูดอย่างนั้นบันทีทานให้พระสงฆ์ก็จะพูดเรื่องศีลสองร้อยี่สิบเจ็ดหรือท่านที่เคยประพฤติปฏิบัติมาอย่างไรท่านก็จะนําเรื่องนั้นมาพูดให้ฟังบันทีทานให้พระเลี้ยบุคคลนะแบบนี้ พระนี้บุคคลคือผู้ได้กระแสพระนิพา น, านก็จะพูดเรื่องนิพานให้ฟังทานให้พร ะ, ะพิเศษกับพุทธะก็เช่นเดียวกันหรือทานให้พระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันเพราะท่านรู้สันวนรึก อ, อันเดียวกันแต่ว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้มีปัญญาสามารถที่จะแก้ปัญหาบุคคลผู้ที่ค้องใจได้เรียวกว่าเป็นผู้มีปัญญามากเหนือทุกคนไปเรียวกว่าพระพุทธเจ้าท่านไว้อย่างนั้น ดังนั้นเราจะมาพิจารณาบันนี้คําว่าทานตอนเ้าร์ักบาตได้หกกลับทานตอนให้อาหารตอนเสาร์ได้ห้ากลับทานให้อาหารตอนกลางวันได้สี่กลับกับหนึ่งเนี่ยพวงลอยโยน์ลึกร้อยโยน์้อยปีของเมนองคนคนไม่มาถึงอายุไม่ถึงร้อยปีจึงเป็นปีทิพย์ของเทวดาหนึ่งปีปีทิพย์ของเทวดาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเทวดาคืออะไรอยู่ที่ไหนไม่รู้เลย ถ้าหากว่าเราได้เจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาให้สมบูรณ์แล้วก็ต้องรู้ได้บัด น, นี้เมื่อบุคคลยังไม่มีปัญญาแต่ว่าเจริญแล้วก็ต้องอาศัยการฟังจึงจะเข้าใจในความหมายอ น, นั้นทันว่าอย่างนั้นนีอว่าการฟังมันเพื่อประดับกลมรู้เท่านั้นเองแต่ไม่ใช่ตัวเป็นการรู้การเห็นการรู้การเห็นน่นจะเป็นการคาดคิดเดาเอาไม่ได้มันผิด ถ้าหากรู้แจ้งใหุ้จริงแล้วฟังประดับเพื่อคงรู้นั้นได้จังหวะสัญญาจังหวะความจาได้ไหมายรู้ทางภายนอกและภายในถ้าหากจําได้ไหมายรู้ทางภายในออกมาแล้วจะไม่ง่อแง่ไม่ขวนแค้นไม่วันไหวเลยบัดนี้เรามานึกได้ตามทางโลกเขาพูดกันว่าสองคืบเป็นหนึ่งซอกสี่ซอกเป็นหนึ่งวายี่สิบวาเป็นหนึ่งเส้น ยี่สิบห้าเส้นเป็นหนึ่งกิโลเนี่ยสี่กิโลเนี่ยเป็นเป็นร้อยเส้นสี่ร้อยเส้นเป็นหนึ่งโยต์บัเนี่บัตนี้ร้อยโยดเนี่ยสี่ร้อยเส้นเป็นหนึ่งโยตโยดเดียวมีสิบหกิโลสิบหกิโลเนี่ยเราจะเอาเม็ดบังงานเรียงเม็ดไปจะไม่เป็นบ่อบเป็นเหวเนี่ยก็ไม่ไม่ถึงไม่เต็มเลยถ้าจะพูดอย่างนั้นบัตนี้มันก่วงกังน้อยโยด์บัเนี่ยเราจะทำยังไงมันจึงจะเต็มได้ อันนี้ก็เหมือนกันกับที่เราเราอยู่ในกลางทะเลเลยที่เรามาปฏิบัติธรรมมกกเช่นเดียวกันเราจะเปลี่ยนเที่ยว่เน็ดงาไปทิ้งลงบ่อลงเหวนั่นเรามาเจริญสติธทำความรู้สึกตัวนี่เองมันน้อยที่สุดโยถามบางคนก็ไม่รู้รู้ไหมพลิกมือขึ้นไม่รู้บางคนบางคนก็รู้เราต้องพูดแล้วต้องทําไม่ได้พูดแล้วไม่ทําน่นมันมันเป็นไปได้ยากหือบางทีอาจจะไม่ได้ก็มี เ น, นี่ยควรรู้สึกนน้อยอันนั้นเป็นเมล็ดงาเท่ากับเม็ดงานี่เองเมื่อทํามากขึ้นมากขึ้นเรี่ามันสมบูรณ์ทิพตาก็รู้เลือดไส้แล้วหัวก็รู้หายใจก็รู้อันนี้นเรื่อมันใกล้ๆจะเต็มแล้วเมื่อมันใกล้ๆจะเต็มแล้วมันเป็นอุปสรรคบางคนก็เกิดปีตีรับหน้าบางคนก็รู้แล้วยังเกิดปีตีก็มี ไม่เหมือนกันที่ตรงนี้งั้นคนที่เกิดปีตีขึ้นลงหน้าทาแล้วมันจะรู้เรื่องรูปนาม น, นี่เองมันก็ต้องมีการกระทบใคราคๆคือคนมึงติดประตูไว้คนมึงจะดันประตูเข้าไปนี่มันเป็นอย่างนี้พอดีคนที่ปิดประตูไว้ไม่อยากให้เขาไปเห็นในบ้านในเรือนเราคนผู้ที่ดันเข้าไปมีกำลังแรงคนที่ปิดไว้ดันไว้นั้นมีกาลังน้อยดันเข้าไปคนที่กาลังน้อยก็ หนีไปแล้วก็ขไขหรือเปิดประตูเข้าไปดูที่บ้านก็ แ, แสดงว่าเรารู้ลูบลู้นามเหล่านี้เองอันนี้อ๋อเป็นอย่างนี่คนที่ปิดประตูเลยเกิดภูมิใจเมื่อเข้าไปแล้วอันนี้มันเป็นปีติหลัดหน้าหรือว่าก่อนหน้าจะเข้าไปในห้องได้อันนี้ตอนนี้คนที่เป็นปีติตามหลังกับเข้าไปสบายเลยคนนี้พอได้จะออกประตูแล้วก็ เอาเลยเกิดปีติเขามาปิดตัวไว้บบ น, นี้ปิดตัวไวให้อยู่ในห้องเราก็ดันออกมามันเิ็นเนื้ อ, อปีติมันเป็นขันกลับกันเหมือนเนื้อเราจะเข้าไปในได้จะออกมานอกอย่างนี้มากลับกันอันนี้เราปีติเราสมบูรณ์แล้วคือเรารู้สึกตัวตื่นตัวรู้สึกใจตื่นใจอันนี้เป็นวิธีรู้เรื่องรูปนา ม, มาวันนี้จะเล่าเรื่องรูปนามให้ฟังรูปนามกับนามรูปเป็นคนละเรื่องกัน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 ไล่หนีไปไม่ใช่ว่าไล่จริงคือไปให้คนข่มคิดนี้เองแัด น, นี้เราก็ต้องเล็งลงคุ่มเทคมเพียนเข้าไปไม่ต้องฟังเสียงฟังพระที่เลี้ยงหรือครูบาอาจารย์พูดแนแนวให้ก็ต้องทำํำพอให้เครื่องมือดีแล้วให้คนแกดีแล้วหายของที่คมหน้าออกแล้วเปิดของที่ปิดออกแล้วเราต้องไปดูเข้าไปดูก็ไม่ใช่เอาตนโตเดินไปคือว่าข่มรู้สึกคือสัญญานั่นเอง จะเข้าไปรู้เองเรื่อสัญญาจึงควรหมายรู้จําได้จึงว่าพอเดเราเห็นหรือมันข้ามไปก็ไปเห็นอย่างที่เปิดประตูนั่นเนี่ยมสมมติพูดให้ฟังเห็นรู้เข้าใจสัมผัสแนบแน่นกับสิงเหล่านั้นเรียกว่าวัตถุวัตถุได้หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นวัตถุทั้งนั้นจะเป็นภายนอกก็เป็นวัตถุจะเป็นภายในก็เป็นวัตถุวัตถุคือเนื้อหนังผมฟันขนเล็บก็เป็นวัตถุ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 เห็นวิญญาณเห็นไม่ใช่ตาเห็นใจมันเห็นใจมันรู้ตัวสัญญานั่นแหละมันเห็นมันรู้รี่ว่าสัญญาขันรูปขันที่แรกต้องรูรูปขันรูปอันนี้หมดจนตัวเดียวรูปขันเวทนาขันเราเคลื่อนไหวในเวทนาขันสัญญาขันนั่นนี้กรูอันนี้สังขานขันมันปรุงมันแต่งวิญญาณขันต้องรูอันนี้อันนี้เขาว่าขันห้าขันซื่อบันเนี่ย ขันซีเขาจะไม่เอารูปนี้เลยเห ah, มือ น, น, น, นเขานเนี่ยเอาตั้งต้นตั้งแต่เวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันเดียวเขาว่าขันซีอันนี้ว่านามรูปอันนี้เมื่อรู้อันนี้ก็ไม่ทุกเลยเพราะเวทนาไม่เสวยทุกแล้วสัญญาก็ไม่ปรุงในทางที่ผิดแล้วสั ง, งาขารก็ไม่ปรุงในทางที่ผิดวิญญาณก็รู้รู้ผิดรู้ทูกที่ตรงนี้เมื่อรู้มาที่ตรงนี้ก็จะได้รวดามักผลเป็นอย่างนี้ ให้เข้าใจทั้งสิที่คนอื่นจะเข้าใจไม่เข้าใจกันไม่รู้ตัวของตัวเองนี่เข้าใจอย่างนี้เมื่อเข้าใจอย่างนี้ใครจะพูดยังไงก็าตามเราเชื่อมั่นว่าเรามีสัมมาทิฏฐิทิฏฐิจึงควรมเห็นใครจะมาตัดสินให้เราไม่ได้นล็สาธิฏฐิกับสัมมาทิฏฐิเนี่ยคนอื่นจะรู้ดีเนื้อเรารู้ตัวเราไม่ได้คนอื่นก็ต้องรู้คนอื่นทีตัวเราก็ต้องรู้ตัวเราทีเข้าใจอย่างนี้จึงว่า สัมมาทิฏฐินั้นมีแต่คำพูดเท่านั้นเองอย่างที่คนไปลักของกันไปตีกันไปปุ้นไปเี้กันอันนั้นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งมันเป็นวัตถุภายนอกมันเป็นสัมมาทิฐิภายนอกมันเป็นมิจฉาทิฐิภายนอกมันเป็นอย่างไนส่วนสัมมาทิฏฐิภ า, ายในและมิจฉาทิฐิภ า, ายในนี่มันยากมันนานเข้าใจคําว่ามิจฉาทิฏฐิภายในก็คือมืดตื้อยู่ในใจนั่นเองไม่มีความสว่างในใจนั่นเองอเป็นคำว่าสัมมาทิฏฐิภายในนี่ก็จ้อง มีควมสว่างเห็นแจ้งเดินเข้าไปตะฝั่งได้สบายไม่ต้องอยู่ในกลางน้ำอย่างที่พูด น, ะน้ำเจ้าพยาหรือน้ำทะเลน้ำโขงไม่ต้องอยู่กลางน้ำแลยเออกไปอยู่บนบกก็ได้เรียกว่าตะฝั่งก็ได้เป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นสมาธิเพราะเรารู้จักทิศทางเดินเข้าไปแล้วเมื่อเรายังไม่รู้จักทิศทางนั้นเดินไปไม่ได้จับพุนจับนี้จับต้นจนไปไม่ได้จะถือว่าเป็นสมาธินั้น มันเป็นได้แต่เราสมมติพูดออกมาคนเดียวเท่านั้น <c oughs> เมื่อรู้จักอันนี้แล้วก็ต้องทำคมเพียนท่มเทลงไปก่อนเห็นกิเลสกิเลสนี่เราพูดได้แต่ไม่รู้จักซื้อเสียงมันมันนี่เมื่อเราเห็นซื้อเสียงก็จดจาได้กิเลสตัณหาอุปาทากรรมอันนี้ก็เรียกว่าขันธ์ซีมาอยู่ในทรานองนี้ด้วยศีลจึงเป็นเครื่องกาจัดกิเลสอย่างยาวสมาธิจึงเป็นเครื่องกาจัดกิเลสอย่างกลาง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 ให้เข้าใจว่าล่ำวงเอาสมมติหลวงพ่อพูดเนี่ยคือว่าหลวงพ่อไม่ได้เรียนหนังสือเขาตั้งสถานที่จะล่ำวงแล้วมีงานสนุกสนานอะไรต่างๆเขาจะมีการล่ำวงกันบ้านหลวงพ่อทีแรกแต่เดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวนี้เขาไม่ทําแล้วดิในีแต่ก่อนก็เห็นทางกรุงเทพที่ล่ำวงหรือคนไปจากกรุงเทพเนี่ยไปตั้งล่ำวงเขาก็ทำจนกัดรอบแรกไม่ต้องเก็บสตางค์เลยอ้าวเป็นปฐมมาเลิกล่ำฟรีเขาวนะ่าอย่างไงเนื่องจาลูกน้าไม่พูดให้ฟังแล้วกับางคนมีปัญญา จัดได้ทันทีเดียวรำฟรีไม่ต้องเสียสตางค์อันนี้บัดนี้รอบที่สองเขาจ้องเก็บสตางค์มีบัตรประจําตัวถ้าคนใดไม่มีบัตรเขาก็มาให้เข้าไปเล่นด้วย <c oughs> ดังนั้นการรู้งัตถูกปรมัดอาการหรือว่าโทสะโมหโะโลภะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรามีบัตรแล้วมีบัตรแล้วเข้าไปได้เข้าไปเล่นกับเพื่อนได้ถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งก็เรียก ว, ว่าเป็นอารียบบุคคลแล้ว ได้ปฐมมาสานจริงๆปฐมมาสานเขาจึงว่าปฐมาสานทุ ต, ติยาสานตัติยาสารจัตุทาสานปัญจมาสานในตำราเขาพูดอย่างนั้นแต่ว่าตัวของผมไม่ได้เรียนตำราอย่างนั้นแต่ว่าเรียนมาแต่มันกขลืมได้เขาว่าปฐมมาสานมีอิตกวิจารณ์ตี ต, ติสุขเอกขตานมีองค์ห้าเขาว่าอย่างนั้นองค์ห้าหมายถึงอะไรไม่รู้เลยหลวงพอ่อที่เรกหลวงพ่อไม่รู้ต่อมาเดี๋ยวนี้ใครจะพูดยังไงฟังได้เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเนี่สัญญามันเป็นอย่างนี้ อย่างนั้นจีวะสินเป็นเครื่องกํจาจัดกิเลสอย่างยาบพอดีรู้อันนี้กิเลสอย่างหยาคือโทสะโมหะโลภะกิเลสตัณหาอุปทานเนี่ยมันลดน้อยไปหรือมันจืดไปจางไปสมมุติให้ฟังล่ะหมืนกับน้ําสีน้ำสีเนี่ยมันไม่ใช่เป็นน้ํามันเป็นสีพอดีเอาไปลงใส่น้ําเอาผ้าขาวไปลงมันจะติดเนื้อผ้ามาถ้าเป็นสีแดงผ้าก็ต้องแดง ถ้าเป็นสีดำเนื้อผ้าก็ต้องดำเมื่อเรายังไม่รู้อันนี้ข่มโกรธเดือกโทสะโมหะโลภะมันเกิดขึ้นมาข้างใดเกิดขึ้นมาเต็มที่สุดขีดมันเลยในตีอย่างนั้นจึงว่าคนจึงไม่รู้ขันธ์ารู้แล้วไม่ต้องมีบัดนี้มีสัญญาดีแล้วบัดนี้เมื่อกลับนําสีที่เต็มกระป๋องคุณภาพมันไม่มีแล้วเอาไปลงน้ําบัดนี้เอาผ้าไปซุกมันจะไม่ติดเนื้อผ้าติดกันน้อยที่สุดเลยอย่างนั้นอันนี้เรียกว่าเป็นปฐมสารจริงๆ ไม่ต้องว่าวิตกวิจารณ์ปีติดสุขเอกาตาก็าไม่ต้องพูดก็ได้เป็นอย่างนั้นจึงว่าเข้าใจจริงๆเห็นแจ้งรู้จึงประจักษ์ชัดในใจตัวเองจึงว่าเป็นสัมมาทิฏฐิคนอื่นจะรู้ดีเหนือตัวเรารู้ตัวเราไม่ได้พูดอย่างนี้ให้ฟังอันนี้ยังไม่กําจัดกิเลสกลางไม่ได้คาจัดกิเลสอย่างหยาบได้เพราะมีแต่ศีลเท่านั้นเองปัญญายังไม่แหลมคมยังไม่รู้จัก กิอย่าการกิเลสอย่าการต้องทําไปอีกพักหนึ่งรู้จักศินดีแล้วเดี๋ยวขันมีสินรูปขันมีสินเวทนาขันมีสินสัญญาขันมีสินสังขันขันมีสินวิญญาขันมีสินเดี๋ยวสินขันสมาธิขันปัญญาขันหลวงพ่อรู้อย่างนี้ขันคือรูปเหล่านี้เองไม่ใช่ว่าขันอันนั้นอันนี้นะขันหลวงพ่อก็เลยไปเปรียบไปขันดีตักน้าได้กินถ้าขันไม่ดีตักน้าไม่ได้ มันขันแตกเนี่ยฝนตกมันก็รั่วที่งหมดพวกเรามาปฏิบัตินีก็เช่นเดียวกันบางคนทําสักว่ารำมันก็นานเต็มถ้าเราทํามีความรู้สึกจริงๆแล้วนั่นเองมันก็ได้ผลดีไม่ว่าสินขันสมาธิขันตําราเขาพูดว่าอาธิศินสิกขาอาธิกิตตสิกขาอาธิปัญญาสิกขาสิกขาแปลว่าต่ําว่าคุกหรือว่าทุบวัตถุให้มันแตกไปเําไว้ยางนั้นแปลว่าถลุงเป็นโรงงานเอาอวัตถุดิบเข้าไป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 รูอ้อย่างนี้มีเงินจากร้อยล้านพันล้านซื้อไม่ได้ต้องทําเองอันนี้ไม่ใช่เอาเงินเอาทองไปซื้อและไปฟังจากร้อยครั้งพันหุ่นก็ฟังไม่ได้ไม่รู้หลวงพอ่อเคยฟังเทศมาหลายครั้งหลายหุ่นแตยงพ่อไม่รู้พอดีมาทําอันเนี้อึดใจเดียวก็รู้เนี่ยทําว่าอุดใจเดียวเนี่ยก็มันก็เร็วมากเกินไปนะฟังง่ายง่ายเกินไปคนเนี่ยโอ๊ยทำไม่ได้แต่มันสบายก็นะี่ยมันไม่เป็นได้แล้วมาอย่างนั้นที่หลวงพอ่อเคยส่วน พักพวกมาทำไปทำดูอ้อยมันง่ายเกินไปจนมันเป็นไปไม่ได้เนาะพระพุทธเจ้าเนี่ยทำมาตั้งห้าลอยซาบ์นี่เขาไปอย่างนั้นเลยฟาบนั้นเป็นอย่างนั้นฟาบนั้นมันเข้าใจผิดกันขันว่าง่ายขันวัญญาเอาต้องทนเอาเองอ้ยยยะเกินไปทำไม่ได้แล้วเนี่ยมันเป็นองนี้นแต่ทำไม่ได้คนนี่มันไม่เข้าใจอันใดมันก็ทำไม่ได้เพราะมันเกียรติอย่างที่พวกทำสมถะกรรมฐานแบบนี้ต้องนั่งหลับตาอย่างนี้ ทำเบาๆให้จะไปหลับตาทําไม่มือตามองก็ลื่เห็นอ๋ออย่างนั้นมหมือไม่พิจารณาตา ม, มันฟุ้งซ่านเนี่ยมันเข้าใจอย่างนั้นจึงว่าสมถะกรรมฐานกับวิปสัสสนากรรมฐานเป็นเพื่อนกันแต่ไปด้วยกันไม่ได้ทําไมไปด้วยกันไม่ได้กรรมฐานมันชอบนั่งหลับตาทําคมสงฆ์วิปสัสสนาอย่งไม่ชอบนั่งหลับตาไปด้วยการเห็นแจ้งมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเป็นเพื่อนกันเคยเปรียบให้ฟังเคยสมมติให้ฟังอย่างคนเล่นเบีย้ยบานุลพ่อเล่นเบีย้ยดินไพย อย่นี้อาจจะว่ารวมความเยอะเรื่องการพนันครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวก็ตามผัวเมียก็ตามลูกก็ตามเข้าในวงการพนันเนี่ยไว้ใจกันไม่ได้ในศาสนากรรมฐานก็ไว้ใจกันไม่ได้เช่นเดียวกันอันนี้จะแสดงให้ฟังแล้วก็หลายครั้งหลวงพ่อเอาเท้าในเฮ็ุวงๆที่เนี่ยครูบาสอนให้ได้ห้าวงประเทศกรสินทำมาหมดแล้วสิ่งเหล่านี้ใครจะพูดยังไงหลวงพ่อจริงว่าเรื่องของเขาพูดเขามีความรู้อย่างนั้นต้องสอนอย่างนั้นถึงว่า ศาสนาจริงแปลว่าคําสั่งสอนของท่านผู้รู้ใครรู้เรื่องอะไรต้องนํามาสอนเรื่องนั้นพุทธศาสนาจ่ผู้รู้แจ้งเห็นจริงพุทธถจริงแปล่ผู้รู้แต่หลวงพ่อไม่ใช่เป็นพุทธะไม่ใช่เป็นอะไรหรอกเท่าไรรู้เรื่องนี้จะนําเรื่องนี้มาล่าให้คนฟังเมื่อรู้เรื่องนี้แล้วครหลวงพ่อไม่เก้อเขินเลยใครจะพูดยังไงก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราต้องพูดข่มจริงจึงว่าเสียสละทรัพย์เพราะรักษาอวัยวะ เสยียสละอริยวะเพื่อรักษาชีวิตแม้่อชีวิตที่จะล้มตายลงตามมันขอได้พูดข่มจริงแล้วก็พอใจนี่ว่าเสียสละชีวิตเพื่อรักษาสัจธรรมนี่รักษาข่มจริงสัจจะเรื่องของจริงอ้าวพูดวันนี้ต้องพูดกันใกล้ๆก่อนเพราะว่าหน้าที่พูดอย่างนี้สัจจะทุกคนพูดได้ข่มจริงคืออะไรทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายสินี่จริงไหมสัตว์เกิดมาก็ต้องตายต้นไม้เกิดมาก็ต้องตายเรยว่าสัจจะแท้แน่นอน สัจจะแท้ไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผั น, นรูปกายนี่มันตายได้แต่ทุกคนต้องตายไปว่าสัจจะเราศึกษาให้รู้จักสัจจะอันนี้แต่ว่าจะรัดอนะตอนที่ว่าเรื่องสมาธิกับจกกักรีเดียงกลางปัญญากับจกกักรีเดอย่างละเอียดอย่างพูดไม่ได้เพราะจะรับตัวนี้ให้มันสั้นรับกลุก่มมาเราไปรู้อาการเกิดดับสภาพภาวะอาการเกิดดับเนี่ยเรียกว่าสัจจะทุกคนต้องรู้ทุกคนนี้ไม่พน้นถ้าหากยังไม่ครบอยู่นี่นี่แหละ จนจะหมดลมหายใจเนี่ยเราจะรู้สภาพหรือภาวะอาการเกิดดับจริงๆอาการเกิดดับอย่างที่เราว่าพิมมือขึ้นเป็นเกิดเป็นดับหายใจเข้าเป็นเกิดเป็นดับพิมพตาเป็นเกิดเป็นดับจิตใจมันนึกมันคิดเป็นเกิดเป็นดับอันนั้นเป็นเกิดดับสมมุติไม่ใช่เป็นเกิดดับเป็นปรมัดที่ว่าเป็นสมมุติบัญญัติปรามัตดบัญญัติอัตถะบัญญัติอริยบัญญัติบัญญัติตามลาดับกันไปอย่างนี้เขาจะพูดยังไงไม่ฟังเสียงเลยคราวนี้จะฟังเสียงตัวเองพูด เพราะมันทรงตัวเองยกมือไหว้ตัวเองได้ทันทีเลยก็เลยทำอย่างนี้แหละทำอย่างนี้เข้ามาในนี้หในมาในะานี้ก็เอามือนี้เข้ามากยกมือไหว้ตัวเองนะเรามีดีในตัวขนาดนี้ทำไมเจ้ก้อนไม่รู้เพราะมันไม่ศึกษาหลักความจริงมันก็เลยรู้ความจริงไม่ได้ไปอย่างไงยกมือไหว้ตัวเองตั้งแต่ตอนเสารวันนั้นถึงทุกวันนี้เลยใครจะมาว่า้จะให้อดไม่ได้เพราะว่าดีมีในตัวอันพูดนี่ไม่ใช่เป็นคนอวดดีนะอันนี้แล้วก็ไม่มีเรื่องอะไร พูดความจริงให้ฟังคนอวดดีนะั่นไม่รู้น่าจะเรารู้เลยจับใจความไม่ได้เลยพูดไปจับโน้นจับนี้จับต้นจนไปไม่ได้เลยอันนั้นเลยกว่าอารมณ์วิปัสนาเนี่ยตํำราอารมณ์วิปัสนาที่สัญญาลู่มัหนึ่งลู่ลูกน้ำสองลู่น้ําลู่น้ำรูปเนี่ยมีสี่ขั้นด้วยกันนะมีสี่ขั้นด้วยกันพอได้ลับปฏิบัติขึ้นไปตามลําดับ ไ, ไปตามลําดับมา ตอนที่เราจะรู้สภาพภาวะอาการเกิดดับจริงๆนะทุกคนต้องประสบอันนี้มันหมดตัวเลยหมดตัวเลยจริงๆอันเนี้ยมันจี้ไปหมึดหลวงพ่อ ก, กันเลยสมมุติให้ฟังข่าวนั้นเอาเราเอามือไปแตะตะก้นเด็กน้อยเรามีลูกอย่างผู้หญิงเคยมีลูกเนี่ยเอาเอามือไปแตะต่ก้นเด็กน้อยมันขาวขมานานทันทีเนื้อมันแดงอันพอดีเราเอามือไปแตะมันจี้ไปทันทีเลยเอามือออกแล้วมันแดงขึ้นมาเอาแตะได้มันขาวไปเลย สมุติไงวันนี้ตัวเราก็เหมือนกับมังขาดออกจากกันแล้วนี่และบอนนี้ทางตำราก็เลยมายกว่าอายตนะสิบสองตาเห็นรูปอย่าให้มันเป็นรูปสวยรูปงามหูฟังเสียงอยากให้เป็นเสียงเพาะกินอาหารหวานขาวยายมีรสเผ็ดอันนั้นมันพูดมันมีอายตนะอยู่มันมีอย่างเหนียวเดี๋ยวมันมีกิเลสเมื่อไปพบอันนี้มันจะตัดขาดปุ๊ดลงคนราะอันนี้แหละทุกคนต้องมีไม่พ้นจริงๆรับรองได้จริงๆริต้องประสบเรื่องนี้นี่แหละว่าสัจจะ คือความจริงแท้เปลี่ยนแปลงไปไม่ได้เราจะดำมืดไปหรือหรือเราจะติดตะเกียงไปหรือเราจะไปกลางวันถ้าอยู่ในถ้ำเนี่ยเรามีไฟหลวงพ่อพูดจุดไฟขึ้นเรายังอยู่ที่มืดมืดมันหนีไปไฟอยู่นี่มืดมันมาข้างหลังเอาไฟมาข้างหน้าเอาไฟมาข้างหลังมืดมันมาข้างหน้าเอาไฟมาข้า ง, างนี้มืดมันมาข้างนี้มันหลบตัวอยู่อย่างนีน้เพราะเรายังอยู่ที่มืดนันเองสมถะกรรมฐานมันต้องตกอยู่ในอำนาจอำนาจอันนี้หลวงพ่อเข้าใจอย่างนี้นน แต่คนอื่นจะเข้าใจยังไงให้รู้ล่ะหลานี้เราไม่ต้องอยู่ในถ้ำมันออกมาเลยมาอยู่นอกถ้าเดียวเบื้องในถ้ำมันเป็นอย่างนั้นรูปทรงของถ้ำเป็นเหลียวเบิ้งยอดผาก็มาเจ็อย่างนั้นเราก็รู้ดีอันนี้แสดงว่ากิเลสอย่างกลางเรากําจัดได้เพราะเราไปถึงที่สุดของทุกดังนั้นพวกเรามาเจริญกรรมาฐานหรือมาเจริญนิพพานาอย่างที่พูดกันก็ได้นะมัน ตอนเสาร์วันนี้ทําวัดเสาร์ก็เลยมาพูดให้ฟังเรื่องการกระทําทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมอย่างที่เพื่อนจันทร์ทองคุณอเนกหรือมหาดีเล็กคุณอะไรถ่าวรถท่าวิลดวงตาอะไรเนี่เนี่ยเปิดอบรมทุกคนเนี่ยพระสงฆ์ <c oughs> องค์เจ้าอยู่ที่เนี่ยเปิดอบรมรับเปิดทางให้ญาติโยมมีความสงสัยบกพร่องมาถามท่านท่านอาจารย์อธิบายให้ฟังแต่เมื่อพวกนั้นอธิบายยังไม่แก้มสายกับมาหาลวงตาก็ได้เนี่ยพูดเล่นอันนี้ มหาหลงต า, ตามไมบ่อกหลวงตานี่ไม่ขัดข้องมาเวลาใดก็ได้จะมาเศร้าก็ได้มาเย็นก็ได้กลางวันก็ได้นอนหลับก็ปลุกเขาก็ได้เพราะหลวงพ่อชอบเรื่องนี้ใครมาสนใจเรื่องที่ให้หลวงพ่อพูดทั้งวันก็ได้แม้หายใจตาจะตายเร็วบ้านหลวงพ่อเรียกว่าคนหาใจป่าที่ตายแล้วก็ก็จะพูดได้หลวงพอ่อจนหมดลมหายใจมัเนเด็ก็เลิกกันเมื่อนั้นเพราะของจริงเนี่ยทำไมจีนไม่พูดเม่ไม่พูดของจริงก็แสดงว่าเราไม่หายของที่คว่ำเราจะไม่เปิดของที่ปิด เราจะอัดแน่เยียวยานั้นติอันนี้ให้ลูกคนแก่ไ้นั้นเอาไปไขเลยรับรองว่าประตูเราจะเปิดเข้าไปได้สบายไม่ต้องบิดยากเลยเกี่ยวก็ต้องใสน้ำมันรอลื่นไปแล้วหันซ้ายออกมาหลุดทันทีเลยทุกคนต้องประสบเรื่องนี้อย่านอนใจวันนี้เป็นวันที่สองแล้วเนี่ยเป็นปีใหม่แล้ววันศุกร์เมื่อนี้วันศุกร์ที่สองรีบทําชีวิตของเราคงตายจะมาประจ ol เมื่อใดไม่รู้ เราตายประทับเราจะไม่รู้เลยเมื่อไม่นู้เราจะไปที่ไหนไม่รู้เลยย่าไปถามคนนั้นคนนี้ตายแล้วไปเป็นยังไงจิตวิญญาณไปอันนั้นถามเท่าใดก็มีความสงสัยยิ่งถามก็ยิ่งสงสัยอันเนี้ยไม่ต้องถามใครเลยหลวงพ่อรู้ตอนเศ้าเดินไปเดินมามันหลุดออกจากกันเมื่อใดหลวงพ่อไม่รู้หดเข้าสู่สภาพเดิมของมันทั้งหมดรูปเข้าสู่สภาพของมันใจเข้าสู่สภาพของมันจีว่าขาดแล้ว ติดต่อกันไม่ได้อีกตื่มไปแล้วเพระเาะจะว่าคนใดมีกิเลสตายไปเกิดอีกคนใดไม่มีกิเลสตายไปไม่ต้องมาเกิดอ้อเสียงลดไปก็มา